สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ชิฟเยสู165ตอนถนนสายเยรูซาเล็มถึงเยริโคตอนที่สอง่อเป็นตอนท้ายนะครับพี่น้องครับจากเมื่อวานนี้เองเรารู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขบุปมาของชาวสมรยไกดีโดยที่มีคนบาเรียนั้นเป็นผู้จุดชนวน หรือเป็นผู้ที่ก่อเกิดทําให้เกิดคําสอนและคําอุ ม, มาที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามบนถนนสายเยรูซาเล็มถึงเยเรโคก็เปรียบเสมือนกับบนถนนสายชีวิตของพวกเราครับ <c oughs> ถนนสายที่เรียกว่าถนนชีวิตที่เราจะต้องเดินทุกคนพี่น้องครับเราจะเห็นบางคนนั้นตกเป็นเหยื่อของความบาปตกเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมตกเป็นเหยื่อของการที่เขาอยู่ดีด เขาไม่ได้หาเคราะห์หาอะไรใส่ตัวแต่คนอื่นเอามาให้ครับเพราะฉะนั้นชายผู้เคราะร้ายคนนี้ซึ่งเป็นคนที่รู้ที่ไม่ปรากฏนามเขาเป็นผู้ที่ถูกตีถูกล้นถูกขโมยขิงทรัพย์นี่เป็นความอายุดิถันที่เกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องจากความบาปและคนบาปมีที่ทนมากมายครับ <c oughs> ที่อยู่เหนือเราเราไม่รู้ตัวมี ผลพวงความบาปมากมายครับที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างที่เราจริงๆแล้วไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นแต่มันก็เข้ามาในชีวิตของเราครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะปกป้องได้ที่คือเราถูกกระทําบนถนนสายชีวิตของเราอาจจะมีบางคนเป็นอย่างนี้บนถนนสายชีวิตของเราหลายๆลครั้งทีเดียวเราเจอกับผู้นํำที่ดูเหมือนเคร่งศาสนาเป็นคล้ายๆกับพว ก, พวกน่าซื่อใจคด ครับทําหากินทํามาหากินกับพวกศาสนานะครับมีชีวิตอยู่โดยเอาศาสนานะครับมาเป็นเครื่องมือในการที่จะดารงชีพคนที่มีคนพวกนี้อาจจะมีเป็นคนที่มีหน้าเมตตาในสังคมด้านศาสนาดูเหมือนเขาเป็นผู้พิพักธรรมผู้พิพักษารักอะไปดูเหมือนว่าเขาเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับธรรมะกับพิธีกรรมต่างๆ แต่ว่าคนเหล่านี้ครับในชีวิตของเราในถนนชีวิตของเราเราจะเจอคนแบบนี้คือในที่สุดแล้วเขากลัวกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองกลัวก็เลยอ้าง น, นู่นอ้างนี้ในที่สุดแล้วเราอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากคนเหล่านี้เลยพี่น้องครับในชาตวันนี้เราไปมาดูในบุคคลหรือตัวละครตัวที่สามครับก็คือคนเลวีคนเลวีในข้อที่สามสิบสองของพระวจนะพระเจ้าในลูกาบทที่สิบนะครับ ข้อที่32กล่าวว่าคนเลวีนั้นเขาเห็นชายคนนี้กำลังจะตายแต่ก็เดินผ่านไปปิดฝาหนึ่งของถนนพี่น้องครับเราทราบกันแล้วนะครับว่าคนเลวีนั้นมาจากเผ่าพิเศษในอิสราเอลที่พระเจ้าเลือกสรรเขาไว้คนเหล่านี้นั้นมีหน้าที่ในการปรนิบาตพระเจ้าและเขาก็เป็นปุโรหิตไอ้ดวยมีสิทธิ์ที่จะเป็นปุโรหิตได้ดวย คนเหล่านี้รับผิดชอบในการดูแลเครื่องใช้ไม้ช้อยและสิ่งจำเป็นต่างๆในพวิหารที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการแต่ในสมัยของพระเยซูพี่น้องคงทราบยช่ไหมครับว่าคนเหล่านี้เขาจะต้องแยกตัวชำระตัวเพราะเนื่องจากเขาจะต้องเป็นผู้รับใช้ในพวิหารเป็นตัวแทนของศาสนาแต่เลวีก็เช่นเดียวกันกับปุโรหิตครับ ในที่สุดเขาไม่มีความเมตตาสําหรับคนที่บาดเจ็บที่นอนรอค อ, อ, อยความตายอยู่ข้างนถนนในข้อสอนนะครับคนเวลวีก็ทําเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นเห็นแล้วก็เลยไปเทียออีกฟากหนึ่งก็คงจะมีเหตุผลนะครับที่เขากล่าวอ้างที่ชอบทำสําหรับเขาดูเหมือนจะดีสําหรับเขาเป็นเหตุผลที่จะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเลยนะครับ เขาคงได้รับเคราะกรรมใครทําอะไรไว้ก็คงจะได้รับกรรมอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเป็นตัวใครตัวมันนะครับเป็นความรู้สึกเป็นท่าทีเป็นทัศนคติที่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตอบสนองคนคนนี้คงจะทํากรรมมาเยอะนะครับคงจะทําความไม่ดีมาเยอะเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาก็ได้เจอเคาะห์เจอกรรมนี่คือสิ่งที่ความคิดของพวกนักศาสนาทั้งหลาย คนเหล่านี้นั่นคิดแบบคนที่มีวญญาณศาสนาครับแต่ไม่ได้คิดแบบคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อครับเราจะมาดูในตัวละครตัวละครที่สี่ครับเป็นชาวสามาเรียเขาเป็นเชื้อสายของคนยิวที่แต่งงานคนต่างชาติจริงๆแล้วชาวยิวเองเนี่ยเกลียดชาวสมาเรียมากเลยชาวสามาเรียเองก็ไม่พอใจที่ชาวยิว เบียดเขาไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มชาวยิวเปียดชาวสมาเรียอย่างมากจนข้าทั่งพวกเขาไม่ยอมเดินผ่านแควนสมาเรียครับนี่คือสาเหตุที่พวกเขาต้องเดินข้ามแม่น้ําจอแดนนะครับไปทางตะวันออกและเดินขึ้นไปทางเหนือผ่านเปอรีเอนะครับแควนเปเรียนะครับและขึ้นไปยังกาลิลีจะขึ้นไปยังกาลิลีไปยังคาเปอร์นาอูมจะไปซื้อขายของ จะเดินทางไปเยี่ยมยากเขาจะไม่ยอมเดินผ่านแคว้นสมารียครับในข้อสามสามนะครับเท่าพี่กล่าวว่าเมื่อชาวสมารียเห็นผู้ชายชาวยิวชาวฮิบรูที่บาดเจ็บพี่น้องครับความเมตตาสงสารนั้นชนะการเหยียดผิวการแบ่งพักแบ่งพวกชนะเหตุผลที่ อ้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเกลียดกันพี่น้องครับความรักนั้นอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างความรักความเมตตาที่เห็นคนคนหนึ่งบาดเจ็บใกล้จะตายอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเกิดบ้านีแท้จริงครับคนคนนี้พ่อพี่บอกว่าเขาช่วยพันบาทแผลเอาน้ามันเอาเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลเพื่อที่จะเป็นยาค่าเชื้อสําหรับบาดแผล น้ำมันช่วยในการรักษาและร ะ, ระงับพิษจากบาดแผลแล้วคนสมุนยคนนั้นก็อุ้มชายคนนั้นขึ้นบนหลังสัตและพาเขาไปโรงแรมโรงแรมในสมัยนั้นนะครับก็คล้ายๆกับโฮสเทสครับนะครับก็คือเป็นที่พักแรมเป็นที่ดูแลคนเจ็บและได้ป่วยรนะหว่างเดินทางชาวสมุนยคนนั้นก็ดูแลชาวยูคนนั้นตลอดคืนครับเพราอาจจะไม่ได้นอนนะครับ วันรุ่นขึ้นเมื่อเขาต้องจากไปชาวโซมาเรียให้เงินสองเดนิลิอันแก่เจ้าของโรงแรมเพื่อที่จะดูแลนะครับติดตามดูแลชายที่บาดเจ็บคนนี้หลายหลายครั้งทีเดียวมีนักวิชาการหรือนักเทศก็ได้พยายามอธิบายว่าทําไมต้องสองเดนิริอันเขาก็อธิบายว่าเดนิลิอันนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของความรอดอันหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วชาวสมัมฤทธิ์นี้นั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นพระเยซูครับที่ได้ให้สองเหรียญเดนาริอันก็คือเหรียญแรกคือเดนาริอันแรกคือความรอดเดนาริอันที่สองคือพระวิญญา ณ, ณบริสุทธิ์นะครับถ้าตีความหมายแบบนี้ก็อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าหวือหวาตั้งสีสันแต่พี่น้องครับพระเยซูต้องการสอนอะไรครับ ในตอนนี้เฟรดูต้องการสอนเรื่องของความรักความเมตตาเฟรดูต้องการสอนเรื่องใครเป็นเพื่อนบ้านให้ลกลับสู่ประเด็นที่ว่าใครเป็นเพื่อนบ้านครับเฟรดูถามมาเรียนคนบ้าเรียนผู้คงแก่เรียนในข้อสามสิบกว่าสามคนนี้ท่านคิดว่าคนไหนเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นบาเรียนคนนั้นตอบว่าคนที่สแสดงความเมตตาแก่เขา เปียสุก็เลยสอนด้วยความเมตตาว่าท่านจงไปทําอย่างนั้นเหมือนกันเถิดหรือท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั้นเถิดพี่น้องครับเรามาถึงบทสรุปของถนนสายเยเซเลมเยริโคเปรียเสมือนกับถนนสายชีวิตของเราความเมตตาหรือความรักคําจุนโลกครับ ความรักในแบบพระเยซูบรรยายในข้อที่ยิบเจ็ดคือรักพระเจ้าเป็นบรญญัยข้อแรกใหญ่ที่สุดรักเพื่อนบ้านเป็นบรญญัยข้อที่สองพระเยซูใช้ชาวซามารียให้เป็นอุปมารเรื่องเพื่อนบ้านที่ดีเพราะพระ อ, องค์ทรงทราบ ว, ว่าชาวยิวไม่คิดว่าชาวซามารียจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชาวอิรูชาวยิวได้ชาวซามารีเป็นเพื่อนบ้านของชาวกะรียและเป็นชาว เป็นเพื่อนบ้านของชาวยูเดียได้ใช้ยิงแล้วพวกเขาเป็นศัตรูกันครับแต่พวกผู้นําศาสนาพวกปาริสีแม้กระทั่งรวมถึงตัวบาเรียนเองที่ถามคําถามเพื่อทดลองพระเยซูนั้นพี่น้องครับเขาจะโกรธไหมครับเมื่อพระเยซูใช้สมาเรียหรือชาวสมาเรียนั้นเป็นตัวอย่างของเพื่อนบ้านที่ดีพี่น้องคิดว่าเขาจะโกรธไหมครับคำพูดของพระเยซูจะทําให้พวกเขาไม่พอใจในพระองค์ไหมครับเมืเ่อเขาพวกเขารู้ว่าสองคนที่เป็นผู้นําศาสนาเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ดี ะเยชูต้องการให้สาวกของพระองค์มีความรักความเมตตาต่อศัตรูโวยพรกับคนที่ข่มเหงเขานั่นคือวิธีของปเยชูครับประชาชนที่ขับสนเราต้องมีความรักความเมตตากับเขาคนที่มีความต้องการเราจะต้องมีความรักความเมตตากับเขาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของคำสอนเรื่อง อุปมาทาวสามเรียใจดีทั้งสามคนที่ประสบเหตุการณ์ของคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่อยู่ในเคราะหร้ายนั้นเขาตอบสนองต่างกันครับคนหนึ่งมีความเมตตาแต่อีกสองคนไม่เมตตาไม่แสดงความรักอย่างที่พระเยซูปราราพี่น้องครับเราเป็นคนแบบไหนครับเราเป็น ในวีเราเป็นปุโรหิตหรือเราจะเป็นชาวสมาเรียใจดีอาเบียน